บุกทูเจ็ดสิบเอ็ดสมุสต้เทิติสมุส ต, ต้เทติต้องการอยากสุรวิลีสุรวิลิคุณอยากทำอะไร ควร ก, กินัทวน ค, คุณอยากเล่นฟุตบอลไหมเุริสทมชิกินดัดเพุริสทมาชิกินดัดคุณอยากไปหาเพื่อนเพื่อนไห ม, มเ ม, บบ ก, มกอบริสมอูเลบินัดมกบริสมนาฮูเลบากินดัด ต้องการอยาก Survili Survili ดิฉันไม่อยากมาสาย Arminda kvian movite อา m i n d a kvian movite ดิฉันไม่อยากไปที่นั่น Iks asvla Arminda i ั s asvla าา Arminda ดิฉันต้องการกลับบ้านซัคชิตส์อัะมินดาซัคชิตัวมินดาดิฉันต้องการอยู่บ้านซัคชิดารเชนมูรสชดารเชนมูรสดิฉันต้องการอยู่คนเดียวมารต อ, อกอนมูรส มาร์ตอขอบนะมูสูสคุณอยากอยู่ที่นี่ไหมอักกิน da dar รเ e นาอักกินดาดารเ e n a คุณอยากทานอาหารที่นี่ไหมอักกินดาจ ma าอักกินด a จามคุณอยากนอนที่นี่ไหม อกกากาศดีจิ๋วคุณต้องการเดินทางพรุ่งนี้ไหมคะควาลกสูรตร m ามซาบรีควา์กสูตกามซาบรีบาคุณต้องการอยู่ถึงพรุ่งนี้ไหมคะควาลมเดกสูรตรดาชนา hwa ลัมเดกสูต คุณต้องการจ่ายเงินพรุ่งนี้ไหมคะคุณอยากไปดิสโก้ไหมคุณอยากไปดูหนังไหม อินอชกินดัตอินอชิกินดัตคุณอยากไปร้านกาแฟไหมกับเพชิกินดัตกับเพชิกินดัต